ความจเจริญในธรรมจึงมีเดชท่านผู้ฟังทั้งหลายพระรุมพธิยานกำลังนำเสนอเรื่องสมาสติคือการตั้งสติตามระลึกถึงกายเวทนาจิตธรรมประเด็นแรกที่ทรงเน้นก็คือว่าหลักการในมาสติปฐานานสูตร เขเรียกว่าเป็นเอกยานมรรคคือเป็นทางอันเดงกเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายหมายความว่าบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสในระดับต่างๆจนถึงก็หมดกิเลสไปในที่สุดแล้วก็เป็นหลักการที่จะดับความทุกข์และโทรมานั้น ซึ่งก็เป็นเรื่องของทุกข์กระสับนั่นเองต่ตามปกติแล้วก็จะเกิดขึ้นจากจิตใจที่ไปยึดมั่นถือมั่นในสัตว์ในสังขารทั้งหลายว่าเป็นของเราบ้างว่าเป็นเราบ้างว่าเป็นตัวเป็นตนของเราบ้างแล้วก็จิตก็จะไปะยึดถือในเรื่องเหล่านั้นตัสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาด้วยประการต่างๆ แล้วก็เป็นการอัสดงดับไปแห่งความทุกข์จนถึงกะลดกิเลสประเภทต่างๆแต่ว่าประเด็นที่ควรกำหนดเป็นประเด็นแรกก็คือคุณธรรมที่จะใช้ไปในการเจริญกรรมฐานเนี่ยคือทรงใช้คำว่าอาตาปีสสัมปชานุสติมาอาตาปีก็คือความเพียรพยายามที่จะ มีกำลังมากพอสามารถเผากิเลสได้ ร, ร้อนร้อนคือลดความรุนแรงของกิเลสลงไปโดยเนื้อหาจริงๆก็คือสมมาวายามานั่นเองแต่ว่าสูงใช้ความเข้มข้นเพราะว่าเป็นการต่อสู้กับกิเลสภายในอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าทรงต่อสู้กับกิเลสภายในพระไถ่ของพระองค์ก่อนที่จะ ส, สรูรุ เขเรียกว่าญาตุรงค์คมหาประธานคือความเพียรที่ประกอบไปองค์สี่ประการแบบอธิษฐานคือตั้งสัตยาธิฐานว่าแม้เรือดเนื้อในกายของปรุงจะเหือดแห้งไปยังเหลือแต่หนังเองกะระดูกกระามถ้าไม่ได้ศัสรูธรรมะก็จะไม่ลุกขึ้นจากอสนาที่นั่งเป็นการทําความเพียรแบบยอมตายามีทางเลือกให้นะสองทาง ออกมาทางใดทางหนึ่งคือถ้าไม่จัดทะรู้ก็ตายถ้าไม่ตายก็ต้องได้จัดทรู้คือจะมีประตูอยู่สองประตูเท่านั้นเองไม่มีประตูที่สามให้เดี๋ยวในที่สุดพระองค์ก็ได้จัดทรู้แต่ความเพียรในแนวอธิษฐานอย่างนี้มันจะต้องมีความมั่นใจ มันจะต้องศึกษาให้รอบคอบรอบด้านนะฮะไม่ใช่ไปตั้งสัตยาธิฐานส่งส่งไปโดยไม่ได้มีข้อมูลหลักฐานเหตผลมากพอเนี่ยกนอื่ก็ได้มองย้อนไปถึงการบําเพ็ญเพียรของพระโพธิสัตว์ก็ตอนนั้นก็ถือว่ายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ศสตรูเนะี่ยเวลารับสั่งเล่าเนี่ยจะชงใช้คําว่าเรานั่งเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้สัตรูร้ และจะเล่าในเรื่องต่างๆในการบมาเป็นเพียรโดยนีว่าแนวของการมาเป็นเพียรของพระองค์ก็มาสองกระแสหลักตาความเชื่อถือในด้านจิตตนิยมกับในด้านวัตถุนิยมหมายความว่าในด้านจิตตนิยมก็ไปบาเพ็ญเพียรในสำนักของอลาลาบทกาลามโคตุตตกาดาบดรามบุตรโดถ้าเรานำมาเรียงเป็นลำดับเนี่ย ก็คือเริ่มจากการทาทาจิตให้สงบเป็นสมาธิแล้วผ่านลำดับขั้นตอนของสมาธิขึ้นไปจนเป็นอัปปนาสมาธิแล้วบรรลุฌา 4, น4ี่ก็รูปฌาน4อรูปฌาน3าในช่วงแรกนะฮะแล้วก็ต่อมาก็ไปต่ออีกในสำนักอุตะกะดับบทธรรมบุตรก็ได้รูปฌานที่4ก่กลายเป็นสมาบัติ8 คือในแง่จิตใจนั้นจะดูไม่เห็นกิเลสกิเลสมันจะสงบถูกลึกมากแต่ว่าพาะทรงมีปัญญาปีชายานอย่างลึกได้ก็ตรวจสอบดูพระไตรของตัวเองก็เห็นว่ายังมีกิเลสอยู่เพียงแต่มันถูกสยบไว้ด้วยกำมังของฌานแต่เองในการต่อมาก็ทรงเรียกการหลุดพ้นจากกิเลสระดับนี้ว่าวิคมภณะวิมุต คิอจิตมันหลุดพ้นด้วยการกดไว้หมายความว่ากำลังของชาติในกดไวถ้าลูกประมาเหมือนศิลาทับหญ้านะ่ก็ดูเราก็อาจจะพูดถึงเราเสือหรือเอาผมน้ำมันไปปูที่สนามหญ้าเดี๋ยวผมไปปูที่สนามหญ้าเนี่ยมันก็เห็นแต่ผมแต่ว่าจริงใต้ผมมันก็มีหญ้า พังกิเลสภายในใจของคนที่บําเพ็ญเพียรมาระดับนี้มันจะมีลักษณะอย่างนั้นคือจะดูกับข้างข้างบนนี่จะไม่เห็นแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีท่านอ阿拉บุบทกาลามโคุทักกาดาบทรรามบุตรเนี่ยท่านทําหรือพื้นฐานความเชื่อคือท่านก็ศึกษากันมาอย่างนั้นเนี่ยท่านเราเรียนกันมาอย่างนั้นครูบาจางก็สอนกันมาอย่างนั้น เมื่อนั้นเมื่อปฏิบัติไปถึงจุดนั้นท่านก็ถือว่าจบแล้วแต่ถ้าลองมองในแง่ของการวิเคราะห์วิจั ย, ยนะครว่าท่านอารานาบทการามโคตรมันน่าจะไปเทียบเคียงดูกับท่านอุธธตตการาบทรามบุตรอย่างน้อย ก, ก็จะมีความรู้สึกว่าการปฏิบัติของตนยังไม่ถึงที่สุดเพราะว่ายังมีอีกขั้นหนึ่งที่ท่านอุธธตตรกดาบทรามบุตรได้รู้ ก็ยางว่าเลยฮะรเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องภายในใจคนคือไม่มีใครรู้ใครได้หรอกนอกจากคนนั้นก็จะรู้เองแต่สรุปว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีความเชื่อว่าตนเองก็ทมที่สุดถ่งทุกแล้วก็สมบูร์แล้วสมนวนสมัยนั้นก็เรียกว่านิพานแล้วนะคือก่อนนิพานแล้วเหมือนกันแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงเห็น ตอนนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจากก้าเป็นพระพุทธศาสตร์ในทรงสวจสอบดูและเห็นว่าจิตมันอนยังกำเริบยังแปรผันไดแ้แสดงว่ายังไม่มั่นคงอะไรและในที่สุดก็มาบำเพ็ญเพียรแบบอวกจิตตนิยงอย่างเข้มงวดที่ถือว่าจิตนั้นถูกขังอยู่ในกรงคือร่างกายร่างกายเหมือนกับกรงขังจิต ตามลทัทธิความเชื่อแนวปรมาตามันแนวพรมมันทั้งหลายเนี่ยนะฮะหมายความว่าสัรพชีวิตนั้นก็เป็นหนวยรวมของพรมมันกับเอ่ากับพรมมันกับประกิดหรือปรมาตามันกับปะกิดประกิดนั้นก็เป็นโลกวัตถุที่ประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็ปรมาตามันนั้นก็คือเป็นธาตุธาตุทีทท่หกก็คือวิญญาณธาต ว่าเขาไม่เรียกวิญญาณธท่านะก็เรียกว่าอัตตาอัตตาหรืออัตมันตัวนี้จะแยกย่อยมาสิงสู่อยู่ในร่างกายคนร่างกายศาสตร์ก็กลายเป็นสรรพชีวิตทั้งหลายในโลกเนี่ยทีนี้การจะทำให้จิตมันเป็นอิสระจากร่างกายคือกงขังคือร่างกายเนี่ยก็ต้องใช้วิธีธรมานร่างกาย ทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆเอาเฉพาะที่รับสั่งเล่าก็คือท่านสสุปไว้ที่ธรรมจักรนะครไม่ที่ที่ที่ผู้ตรวจคือจริงถ้าเราดูในมหาสีนาทศูตรเนี่ยรับสั่งเล่าไว้ละเอียดมากเพราะการทรมานพระวรกายเนี่ยคนที่เห็นก็คือปัญญวิชีท่านนั่นเองแต่ปัญญวิชีท่านก็เป็นประธาน ห, หมดแล้วนะฮะท่านก็ไม่ได้เล่า ทีนี้พระพุทธเจ้าก็นำมาแสดงมันเกิดขึ้นจากสุนัขตลิจวิวีเขาออกไปต่อต้านคัดท้านพระพุทธเจ้าแต่ว่าที่จริงก็ยอมรับพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็พูดมัวๆไปภาษาลิบุตรไปได้ยินข่าวก็นำมากราบทูลในสงสารพระเจ้าก็เล่าให้ภาษาลิบุตรฟังเพราะว่าภาษาริบุตรเนี่ยท่านไม่เคยเห็นทุกขกระเกื่อยานั้นท่านมาในทีหลังตอนหลังคือตอนพระพุทธเจ้าเผยแผ่ศาสนาไปถึงกรุงราชครึกแล้ว ถราสั่งเล่าในที่นั้นมันก็เป็นแนวเหมือนความมรักที่ต่างๆที่ปฏิบัติกันอยู่ในสมัยนั้นเนี่ยทรงทดลองหมดไม่ว่าจะเป็นรักทั้คงครูทั้งหกนี่แหละที่เขายึดถือประพฤติปฏิบัติกันแล้วก็แนวจริงๆถ้าเราดูแนวทั้งหมดเนี่ยเป็นแนวที่หนักไปในทางอัตกิลามาฐานโยกแล้วก็คือความเชื่อว่าจิตถูก ข, ขังไว้ในรางกายนีแหละ ว่าทรมานร่างกายแบบไหนเท่านั้นเองก็มีความหลากหลายใน ว, วิธีการต่างๆซึ่งเราดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่ารอดอนะนรคืรอเวลาอ่านแล้วสงสารพระพุทธเจ้าอานมาอ่านตั้งหลายรอบนะจึงจบพออ่านไปถึงจุดหนึ่งมันสะดุดคือไม่กล้าอ่านมันรู้สึกมันมันสงสารนึกถึว่ากว่าถ้าจะส่งคนพบธรรมะนี่แหมลองผิดลองถูกเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตกันมาเราก็ ชุดมือเปิดสบายๆในยังเอาอะไรไม่กคได้บูชาท่านไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเดทําไปนะค้นคว้าจนเจอเราก็ส่งบอกชี้ทางไ้ถูกต้องแล้วก็ยังไปไม่รอดว่าในแนวตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นความเพียรในสองกระแสคือความเพียรในสมัยที่ทรงครองคารวาที่เรียกว่าการมาสุการิการโโยคมันหยอนเกินไปนะฮะ คือจิตใจมันเหวี่ยงไประหว่างความรักความชังเนี่ยอยู่ท่ามกลางแสงสีอยู่ท่ามกลางเสาสันกำนันในอย่างนั้นมันก็มีความรักความชังแล้วก็มีความโน้มเอียงไปทางกระตุ้นให้รักแต่ว่าระไทยเองถ้าเรามองจริงๆเนี่ยคงจะไม่อ่อนไหวอะไรเท่าไหรเราเรานึกดูว่าทรงแต่งงานตั้งแต่ ไปจนบรรษา 16, สาิบหกพรรษาแล้วก็สเสด็จออกเปหิหมดสิบเก้าพรรานะครับยี่สิบเก้านะครับพอสิบกว่าปีก็มีพระโอรสเพียนพระองค์เดียวก็สแสดงว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวในเรื่องกรรมคุณมากอย่างที่คือน่าจะเป็นไปได้นะฮะน่าจะเป็นไปได้ว่าน่าจะเยอะพระสาวสารกำนันนายเยอะแต่ว่าอิเลตมันลดน้อยเจอจางบาบางลงไปมากแล้ว อยู่ระดับที่อีกไม่กี่ปีจะได้จะสรุแล้วเพราะงั้นก็เลยจึงน้อมไปทางการออกพนวดเพราะแนวการมาเกินเพียนทั้งสองแนวเนี่ยมันไม่เข้าหลักของสมาวัยามะคือความพยายามในทางที่ชอบแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าความเพียนมันหย่อนเกินไปนะแบบการมาสุขานิการในโยกเนี่ยจะสามารถไม่สามารถดึงกายดึงจิตออกมาจากแหล่งตรงนั้นได้ เพราะว่ามันกระตุ้นให้เกิดความกำหนัดความเพลิดเพลินสนุกสนานบันเทิงก็อยู่กับอารมณ์ล่านั้นแต่พอมาเป็นความเพียรพยายามแบบทรมานร่างกายแล้วยกตัวอย่างเช่นทรมานร่างกายที่คือดูแลมันใกล้ลสรุปนะคือสรุปไว้ที่พุทธประวัติว่าเอาฟันกับฟันมากดกันแล้วลิ้นดันเพดานไว้คือไม่ปล่อย มันเกิดความทุกข์ทรมารมเกิดปั่นป่วนขึ้นมาจากขั้นไหนแล้วในสุดก็เปลี่ยนวิธีเป็นการผลดกั้นลมหายใจเข้าออกอั้นสุดๆไว้เลยไม่ให้ออกไม่เข้าตามปกติเนี่ยจนเกิดเปลืระเสียงเสียปูทรร้อนในปอรดรากายเนี่ยเสียงดังอู้อูอออกมาจากช่องประกันทั้งสอง แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอดกัยาหันดูสามอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นความเพียรทางกายแต่ว่าหนักเกินไปคือตึงเกินไปกายไม่สงบกายกระสับกระส่ายจิตใจก็ต้องกระสับกระส่ายตามไปในสุดก็ทรงเลิกวิธีเหล่านั้นแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นการมาเป็นเพียรทางจิต ประเด็นตัวนี้ที่จริงเป็นประเด็นที่น่าศึกษาคือว่าบางทีในข้อความบางตอนเนี่ยมันหายไปเจนว่าพอโลกบำเพ็ญทุกขิกริยาแล้วก็ไปประทับอยู่ที่ภายใต้ส้น ช, ชัยไสเชือตปาในโครธนางสุจาดามาเอ็นข้าวคนนึกพ่าเทวดาสำแดงองค์เนี่ยมันไม่มีนเหตุผลนะนะคือแสดงว่าต้องเลิกไปนานแล้วก็พื้นพูพรบรากาจนเป็นปกติ พระตถาคตก็เลกมันเป็นทุกขก์กรรมยาแล้วก็ไปเห็นในิเทวดาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะผอมนะตอนนั้นท่านบอกว่าพระอาทิิปรากฏทั่วพระรงคกายเส้นเอ็นีิสพพรั่งไปหมดทั้งพระรงคกายโลมาคือขนนี่ก็หลุดร่วงลงไปเอามือไปกระทบประทบแล้วก็ขนก็หลุดร่วงลงไปเสดสเดไปไหนก็ส่วนลมไม่มีทางที่จะเห็นในิเทวดาได้มันก็ความตรงนี้ก็แสดงว่ามันขาดตอนไปอยู่ แล้วก็เมื่อไปศึกษาติดตามเนี่ยก็ปรากฏว่าท่งคิดในแนวคล้ายๆกับประยุกคือเอาปฏิประตอกับเรื่องทั้งหลายที่ทรงผ่านมาในอดีตเนี่ยายความองแนวอนาปานสติแต่ที่จริงอนาปานสติเนี่ยมันอยู่ในโยคศาสตร์ฮะโยคสูตรคือของท่านกบิลโมนีเนี่ย ก็ไม่ใช่ของท่านประกันเฉลี่ยแปลว่าที่พระพุทธเจ้าที่พระโพธิสัตว์นำมาปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติอย่างที่สอนพวกเราในปัจจุบันเนี่ยคือตามดูลมหายใจเข้าออกไม่เอ่ฝึกเล่นลมปราณอย่างพวกฤษีโยคีทั้งหลายที่เขาเล่นกันมันเป็นวิธีให้จิตสงบก็ เ, เรียกว่ากายสังขารสงบคือลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันสงบ แล้วก็รู้ที่เป็นรู้ที่ความสงบพิจารณาจากความสงบก็ได้บรรลุฌานที่นิชานของกบริษัทในท่านชำนาญเขาเรียกว่าสีคือมีความชำนิชำนาญอยู่แล้วเมื่อท่านเจริญไปจนถึงอรูปฌ า, านก็ไปสรวจสอบที่อรูปฌานว่ามันมันละเอียดเกินไปไม่สามารถจะยกขึ้นมาพิจารณาได้ แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยที่จริงก็สงคิดตรงตรวจสอบประไทยของพระองค์โดยเทียบเคียงกับท่อนไม้ซึ่งวางอยู่ใกล้ๆนั่นแหะเราถอดไม้สามท่อ น, อนก็สงคิดจะท่อนไม้นะฮะสรสัมมารัมพุเราใดหล่น ห, ลหนึ่งที่กายก็ยังไม่ออกจากกามใจก็ยังผัวผั่นหมกมุ่นอยู่ในกาม เพราะความาเหล่านั้นแนมะ้ใช้วความเพียรพยายามอย่างไรก็าตามจะไม่สามารถบลุขุดนิพพยเศษได้เหมนั้นไม้สดที่ชุบอยู่ในย่างและววางอยู่ในน้ําคือมันเปียกทั้งสองเปียกนะจะเอามาสีเกิดไฟเนี่ยมันไม่สามารถจะสีได้ก็มีข้อที่พระองค์อันนี้คือหลักการสาคัญในพุทธศาส น, นาเนี่ยเกิดเห็นว่าโอปัญญโกเนี่ยก็น้อมนำมาประกปฏิบัติเวลาตรวจ ส, สอบเราไม่ได้ตรวจสอบข้างนอกแต่ตรวจสอบที่จิตของเราเอง จิตเรามีราคาไม่มีราคามีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะมีหลุดพ้นไม่หลุดพ้นเป็นสมาธิมีไม่มีสมาธินี่เรารู้กับเราเองแต่คนอื่นจะมารู้จิตเราไม่ได้อ่ะมันต้องตรวจสอบจิตตัวเองเราจชืว่าเป็นการทวนกระแสะโลกทวนกระแสะสังคมวันก่อนนไปอบรมปุกครูครูไปฉาบานี่นะครูสอนไปฉาบาน เรียกว่าแะไสอปจอคือจะบรรยายเป็นหนึ่งชั่วโมงเพราะให้พูดรวดเดียวสามชั่วโมงไหะบรรยายรปก่อนเนี่ยหนึ่งชั่วโมงพุทธวิชีในการสอนแล้วก็จะถามปัญหาปัญหาจะเยอะมากไม่เคยตอบเสร็จสักทีนึง่งคือมันมีปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆถามเรื่องพระที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงบ้างถูกกล่าวหาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นบ้าง เทศนาว่าการฟังไม่เคยรู้เรื่องเป็นต้นบางเลยก็ถามครูบาอาจารย์เหล่านั้นในคิดน ะ, ะว่าอาจารย์เคยคิดไหมว่าพระทุกูกในเมืองไทยเนะะี่ยเป็นลูกศิษย์ครูน ะ, ะแต่ครูทุกคนไม่จำเป็นจะต้องเป็นลูกศิษย์พระคนพระจะชื่วบีทีห่างอย่างไงในบ้านนี้เมือง น, นี้เนี่ยครูต้องรับผิดชอบ ระพิษไม่เรียบร้อยครูก็ต้องรับผิดชอบเทศนาวาการไม่ดีครูก็ต้องรับผิดชอ บ, าาลอ บ, ชอบแล้วก็นับเวลาให้กรดูวะพระที่อยู่กับครูมากี่ปีลองนึกดูสิมาจบมหาวิทยาลัยเนี่ยโดยน้อจบมหาวิทยาลัยก็ไม่น้กกอยกว่าสิบเจ็ดปีแล้วอยู่กักบครูบาอาจารย์ น, นั้นระบบเลื่อนไหลมาจากอนุบาลจากเข้าปถมเข้ามัธยมอเข้ามหาวิทยาลัย ถ้ามา้งจะลงอยู่ตั้งตั้งเท่าไรอะ่ะมัธยมหนึ่งถึงมัธยมสามแล้วก็มัธยมสี่ถึงมัธยมปหกก็หกปีประถมหนึ่ง 1, ถึงประถมหกก็หกปีอนุบาลอีกสามปีสิบสองเป็นสิบห้าแล้วก็อยู่มาอีกไรอีกสมมติว่าสี่ปีก็สิบเก้านะฮก็อยู่มากับครูนั่นแหละอันนี้คือปัญหาที่เราจะเห็นว่าเราก็จริงนี่เราไม่รับผิดชอบในผิดผลของเรา คือคนเลยจะต้องถูกถามแล้วตอบเนี่ยคือครูที่สอนมาเนี่ยอสอนไม่เรียงมายัางไงอ่านหนังสือไม่ออกต้องสิบกว่า ป, ปีสอนไมนเรียงมายัางไงประพฤติไม่เรียบร้อยมาบวชแล้วยังสร้างปัญหาแก่ศาสนามันต้องเฉลี่ยความรับผิดชอบกันไม่จะโยนกลองมาบวชไม่กี่วันนะ่ะบางทีเนี่ยบางทีเด็กมันติดยาเสพติดแล้วเอามาบวชไม่กี่วันนะก็ยังติดยาเสพติดอยู่แล้วเสร็จแล้วก็ หรือพิมก็พาถวดาว่าพระเสพยาเสพติดก็เพิ่งบวชไปสองสาวันเนี่ยจะทําไงคือพระจะอยู่ในวัดเนี่ยเขาไม่รู้จักเราอยาเสพติดนี่รูปร่างมันเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าท่านที่อยู่ข้างนอกนะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาจึงรู้ว่ายาเสพติดนี้รูปร่างเป็นยังไงอันนี้คื อ, ค, อคือเราจะเห็นว่า มันเป็นบทเรียนใกล้ตัวแต่ว่าเราไม่ค่อยคิดนะเราไม่คิดก็เลยวันนั้นก็ย้อนย้อนกลับไปหลายๆเรื่องคือถามคาถามที่ด่าพระนี่ก็ย้อนกลับไปถามครูหลายๆเรื่องตัวครูนี่ก็น่าแปลกนะฮะชอบมีคําถามด่าพระกับ ด, าด่าตํำรวจนะตำรวจแล้วก็กแขวลัฐบาลนิดหน่อยมีอยู่สองสามสองสามหลักแล้วก็ไม่ค่อยถามเรื่อ ง, องตัวเองแปลกจะถามเรื่องแต่ลูกก็ ง, งอกหมดเลย เพราะถ้าเรามองกลับมาที่เราเนี่ยนะเราจะเห็นว่าเรามีส่วนร่วมเพราะวิธีการมองแบบพุทธไม่ต้องมองกลับก็หาตัวทําให้มีการจําแนกแบ่งแยกคนพานกับบัณฑิตเนี่ออกไปด้วยการมองในว่าคนพานเนี่ยเป็นโทษคนอื่นเป็นลักษณะคือมองออกนอกบัณฑิตเนี่ยงโทษตนเองเป็นลักษณะคือมองเข้าในก็มีการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงนั่นที่ใจของเราเอง ระพุทธญาณเป็นแบบอย่างมองท่อนไม้เห็นไหมองท่อนไม้มองกลับมหาที่พระองค์ตอนไม้ท่อนที่สองเนี่ยมันเป็นไม้สดแต่ว่าวางบนบกมันก็เปียกอย่างเดียวนะคือเปียกเปียกอย่างเราทรงคิดว่าสมัยหนาพรามเราได้เราหนึ่งที่กายออกจากกามแล้วก็จริงแต่ว่าจิตใจยังผัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามเนี่ย สัมมาทรฏเหล่านั้นจะใช้ความเพียรพยายามยังไงก็ตามจะไม่สามารถบรรลุค น, นพิเศษได้เหมือนไม้สดที่ชุมอยู่ได้ยางแม่วางไว้บนบกเนี่ยคือจะเอามาสีไฟให้เกิดไฟขึ้นมานี่ไม่ได้ปัญหาเราอยู่ตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่เชิองอยู่ตรงนี้แต่มันจะลวงไปในทางประเภทที่สามคือสัมมาทิมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่กายก็ออกจากการรมแล้วจิตก็ยัง ไม่ปวกแผ่นหมกมุ่นอยู่ในกามเพราะว่าสงบด้วยกําลังฌานนะะพระไตรก็ไม่ได้ปลวกผันหมกมุ่นอยู่ในกามอนสนาธรรมเหล่านั้นถ้าเพียงพยายามถูกทางเข้าเนี่ยจะสามารถบรรลุคุณอพิเศษได้เหมือนไม้แห้งที่ปาสะจากยางและวังไวบนบกบุคคลต้องการไฟก็นำมาสีจเกิดไฟขึ้นมาได้ทีนี้การสีนี่ก็ อ, อีกแหละคือถ้าเบาเกินไปมันก็ไม่เกิดไฟมากเกินไปไม้ก็หัก เพิ่มก็ได้อยู่ในจุดที่เรียกว่าสัมมาวายามะคือต้องสีให้พอดีแล้วไฟก็ค่อยๆร้อนขึ้นพอถึงจุดหนึ่งมันก็ลุกขึ้นมาเป็นไฟได้การฝึกปีในทางพุทธศาสนาก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเราอาจจะพูดออกมาต่างๆแต่เอาก็จริงแล้วเนี่ยต้องไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไป ความเพียรตรงนี้แนมะ้ใช้คำว่าอัตาปีก็ตามนะครับความเพียรเผากิเลสได้เล่าร้อนที่ใช้ไปทั้งทางกายทางจิตแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือสมาามาวายมะที่ว่าที่ว่าไว้หลายตอนด้วยกันนะนะคือเพียรพยายามในการป้องกันบาปเพียรพยายามในการขาจัดบาปเพียรพยายามในการเจริญกุศล ต, ตรงนี้เน้นที่การเจริญกุศลนะแล้วก็เพียรในการลดละอ่าเพียรในการรักษากุศลคือความดีเอาไว สัมปชัญญูสติมาแนวใช้ความเพียเพรเผากิเลสเราร้อนแล้วก็มีสัมปชัญญะแล้วก็มีสติเนี่ยเป็นแนวที่บุคคลจะต้องใช้เพิ่มปริมาณของความดีขึ้นนะใกล้ๆเราเปิดพัดลมเพิ่ความเย็นขึ้นน่ะความเย็นก็ช่วยกระจายความร้อนให้ที่เราต้องการนะที่จริงเราต้องการความเย็นแต่ความเย็นเราสร้างเองไม่ได้อ่ะ ก็เปิดพัดลมให้หรือว่ามีแอร์คอนดนชันก็เปิดแอร์คอนดนชันขึ้นมาตรงนี้มันก็จะไปลดไปตัวความร้อนให้เราก็ได้สัมผัสความเย็นเพราะในภาวนาตรงนี้ถึงธรรมะสามข้อนี้จึงเป็นธรรมะหลักเป็นธรรมะหลักที่เหมือนกับขนมไทยนะฮะมันมีข้าวเหนียวมันมีกะทิมันมีความหวาน ไม่ว่าจะเป็นยีพหาออะไรก็ตามนะฮะจะมีสิ่งเหล่านี้ปะาก อ, อยู่เสมอไปเพรา ะ, ะ น, นธรรมะปฏิบัติในโอกาสต่อไปเนะี่ยคือเราจะต้องมาทําความรู้จักกับหลักธรรมหลักสามสามข้อนี้นะฮะเพราะว่าจะปรากฏอยู่ในที่ต่างๆในการปฏิบัติตามมาริมักอยู่แบบประการเนี่ยสติสัมมาชัญญาความเพียรเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันตลอดระยะเวลาต้งฝังทนาย การ่งโรจพทิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี